มนุษย์เราไม่ค่อยได้อะไรมา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 เราต้องทำหน้าที่ละเลยต้องละทันทีเลยอยอางเช่นว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจที่เกิดจากกิเลสก็ครอบงาความรักความโลภความเกลียดความโกรธความกลัวอิจฉาลิสยาวิตกังวลเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดทางด้านจิตใจเราต้องทาหน้าที่มีสติรู้แล้วก็ละลงไป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 จะสดชื่นนะทำไมถึงสดชื่นเพราะรู้ทันในความทุกข์จะสดชื่นจะรู้แบบยิ้มยิ้มเ่ยเราลองดูสิเวลามันเกิดความทุกข์จะเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือทุกขทางจิตความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยเราลองยิ้มยิ้มกับไอคบนนไ้ความทุกขแบบนั้นมาเห็นไหมความทุกขเนี่ยมันจะลดกําลังลงได้ทําไมเราต้องเข้าไปเป็นทุกขด้วย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 รู้ทุก์ในร่างกายซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นทุกมากมาเปลี่ยนเป็นผู้เห็นทุกข์แบบใจิตใจที่สดชื่นอมยิ้มอยู่ภายในนี่หละคือการเห็นทุกข์แบบผู้ชนะทุกข